คุณค่าที่เด่นของอริยสัจหลักอริยสัจนอกจากเป็นคำสอนที่ครอบคลุมหลักธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดังกล่าวมาแล้วยังมีคุณค่าเด่นที่น่าสังเกตอีกหลายประการซึ่งพอสรุปได้ดังนี้หนึ่งเป็นวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามระบบแห่งเหตุผลเป็นระบบวิธีแบบอย่างซึ่งวิธีการแก้ปัญหาใดๆก็ตามที่จะมีคุณค่าและสมเหตุผลจะต้องดำเนินไปในแนวเดียวกันเช่นนี้ 2. เป็นการแก้ปัญหาและจัดการกับชีวิตของตนด้วยปัญญาของมนุษย์เองโดยนำเอาหลักความจริง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 หรือดำเนินกิจการใดๆขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของตนไม่ว่าศิลปวิทยาหรือกิจการเหล่านั้นจะเจริญขึ้นเสื่อมลงสลายไปหรือเกิดมีใหม่มาแทนอย่างไรอย่างไรก็ตามหลักความจริงที่เรียกว่าอริยศตร์นี้ก็จะยืนยงใหม่และใช้เป็นประโยชน์ได้ตลอดทุกการ